เพราะรถปิงอัพมันนั่งข้างหลังเวลามันคว่าจะต้องตายแต่คิดว่าอย่างนั้นเลยจะใหกเขาไปบอกอย่าไปเลยเลยจะมาก็บอกกับโทเฟอร์ว่าบอกนี่หนูขอให้เราไปเยี่ยมแค่สิบห้านาทีถ้าหากว่าเกินกวน่านี้รถเราจะคว่มที่ยุทธญาถ้าความทิ่ยญาเราไม่ได้กลับวัดต้องตายที่นั่นถ้าตายแล้วก็หาคนรู้จักไม่ เราจะต้องศพเน่าหรืออาจคุณจะไปรู้เข้าก็ใช้เวลานานก็เร่งรัดเวลาขึ้นบอกโชเฟอร์ว่าพอทีผ้าทีเปล่าแกร้ต้องเร่งรีบกลับด่วนตรงนี้เพื่อให้มาความไกลๆวัดหน่อยตายเขาจะเอาศพเข้าวัดง่ายส้องเตรียมการซะก่อนเอาศพเข้าวัดง่ายก็เร่งปล่อยร้อยี่สิบกลับแล้วเจสนวนบอกแอ้หลวงพ่อ เคยมาคุยกับฉันไป่วโมงทำไมวันนี้แค่นิดเดียวบอกมีธุระจำเป็นขอลาไปก่อนแล้ววันหน้าจะไปเยี่ยมเจที่ล้าต่อไปก็ว่าอย่างนี้เลยขึ้นรถไายก็ปล่อยล้อยี่สิบในเวลาการต่อมาถนนเอเชียเพิ่ทํำเสร็จใหม่ๆลืดวิ่งปล่อยล้อยี่สิบยี่สิบ่านวิทยามาเนี่ยเข้าอ่างทองเนี่ยถึงอ่างทองถึงชโยเนี่ยแล้วทีนี้ที่อเภอพรมเนี่ยฝนมันตกไม่รู้ ผลมาตกอยู่เฉพาะตรงนี้มันทางลื่นเลยก็มาเนี่ยตรงเนี้ยไอแนวไข่พม่าตรงนี้เรียก ว, วัดคู่ทางมันโคง้งทางโค้งตรงเนี้ยก่อนจะถึงวัดเนี่ยเนี่พวกเราผ่านมาาผ่านทางเนี้ยแล้วทางมันลื่นอยู่พอเลี้ยวโค้งปั๊บรถเสียหลักเลยลื่นท้ายเป๋เลยหมุนติ้วเลยเลยเราล็อกประตูเข้าไว้ สองคนก็โชเฟอร์ล็อกประตูทำไงาอตาตมาเนี่ยพูดมาถึงตอนนี้ขอเจริญพรว่ารถเสียหลักเนี่ยพวงมาลัยหลวมหมดทําไมถึงรู้อตาตมาหนะ้าครูกัโชเฟอร์ช่วยมันบิดเดียบิดเนีหลวมหมดเลยเลยก็มานึกในใจว่าคันส่งต้องหลุดขันส่งขดคันส่งไม่ลุดถ้ารถเสียหลักหรือโดนน้ามันลาดตามถนนเนี่ยพวงมาลัยจาหลวมทันทีลองดู เคยเคยไหมเคยไหมเอาไม่เคยลองรู้ซะถ้าโดนน้ํามันลาดกลางถนนต้องไปอย่างนี้เลยนะบางทีจะมาเคยไปหมุนอีตรงโน้นทีแล้วก็แพงเพชรเวลาดดึกมันน้ํามันลาดคว่ำลงไปเก็บของเก็บของนี่โดนมานแล้วเลยที่จะมาว่าเอ๊ะรถหมุนติ้วเลยขับร้อยี่สิบมาเนี่ยแล้วรถสิบล้อตามหลังมาเป็นแถว ดีาบุญวาสนาของเรายังดีอยู่รถข้างหน้าไม่มีสวนเลยรถข้างหน้าไม่มีทั้งมีด้วยแย่เลยจะหมุนติ้วแตงตาถ น, นนอ่ะทำไงอาตมาก็ช่วยจับฟงมาลายเอ๊ะหลวมหมดแล้วแล้วรถหมุนติ้วติ้วติ้ ว, วทาไงพอไปโดนก้อนหินก้อนหนึงก็คว่ำเลยความหมุนไปต้องสี่ห้าลอกอย่าลืมนะดาวของวันขึ้นแวบแวบเราหัวทนโนู่นทนนี่ทนโนู่นชนนี่ พอถลอกปอกเปิกหมดเลยก็ตรงกแตกหมดหแล้วก็คว่ำไปพาขึ้นเป็นยอดมาขามแท่ยอดมาขามแท่ยจุงทั้งขงาวางตรงนั้นออกมันมีก้อนหนึ่งในที่อยู่นี่ยังอยู่ยังอยู่รถก็ขึ้นไปจะมาก็คลํากันว่าข้างล่างหรือข้างบนพอคลาไปขา ม, มาก็คลุกคลักรถคว่ำไปสี่ห้าท่อนเลยไหมลดบีหมดเลยเลยมันอยู่ใกล้วัดเขาก็วิ่งไป ต้องแปลชังแรงนัดจึงออกได้พอออกมาได้สบายมากต้องมานอนปวดแสบปวดร้อนหนึ่งเดือนเหมือนพลิกเข้ามาเอามาทาฉะนั้นต้องนอนเข้าห้อไปไปโรงพยาบาลบอกไม่ไปายไยเขานี่นี่คำนาจที่เราต้มเต่าแล้วก็ถลอกเปลอ ก, ก, กหมดเวลาลดชนโน้ตชนี้อย่าดืมนะเคยเห็นดาวของวันไหม มันจะแวบขึ้นทีตาเลยแวบแวบแวบเป็นแส้เลยเพราะอะไรหัวนี่ชนท้องโน่นชนทั้งนี้ก็แวบแวบแวบยังจำสภาพได้นะในสุดอตมาก็ต้องมานั่งนอนตึกกรองอยู่แพ้ไม่ตาทุกวันให้ตายนี่เรื่องจริงมีอย่างนี้แล้วโทเฟอร์ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยเราคนเดียวนี่ต้องปวดแสบปวดร้อนโทเฟอร์ก็ไม่เป็นไรเลยนะ แล้วรถนี่บีหมดเลยเนี่ยไอ้ประตูเนี่ยเปิดไม่ได้บีลงไปอย่างงี้เลยเวลาออกเขางัดออกมาก็ต้องคลานออกมานะแต่สรุปแล้วไม่ตายต่อมาก็ต้องมาทรมานอยู่หนึ่งเดือนพอทรมานหนึ่งเดือนหายก็แผ่เมตตาอุทิศสมบูรศ์ให้เขาทุกวันในเวลาการต่อมาอีกรู้ลวงนายหกเดือนพอนั่งสมาธิสติมันก็บอกว่า พระคุณเจ้าวันที่14ตุลาเที่ยง45พศ2121ท่านจะต้องตายใช่นี่นะนกอะไรวุใช้นี่นกที่หักคอเขาเลยก็ทบทวนชีวิตขึ้นมาว่าใช่แล้วที่ไปยิงนกกับครูชัว ย, ยังมีบ้านอยู่ีเนี่ยคูชัวจะตายไปแล้ว อยู่แต่ภรรยากับลูกเขาตายไปหมดแล้วเนี่ยนี่รู้หลวงนาหกเดือนถ้าสะสมหน่วยกิสติว่ามันจะบอกได้เนี่ยมันจะบอกได้อย่างนี้นะคือท่านอาจารย์ทั้งหลายถ้าเราตื่นมาแล้วเนี่ยอารมณ์ไปยังไงเดินทางจะเสียเงินยังไงจำอารมณ์นี้ไว้ได้ถ้าจำอารมณ์นี้ไว้ได้นะไปต้องเสียเงินอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอารมณ์ดีอย่างนี้ไปแล้วต้องได้อย่างนั้นอย่างนั้น นี่นี่สำคัญมากอารมณ์เราเนี่ยสําคัญที่สุดแต่เราไม่เคยศึกษาอารมณ์ของเราเนีเรากลับไปศึกษาอารมณ์ของคนอื่นแล้วก็โทรศัพท์มันบอกเราทุกวันกรมประชาสัมพันธ์มันบอกนะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาแต่เราเสือกไปยุ่งกับไอ้ไอ้ยานกรอบไปกับคนอื่นมากกรมประชาสัมพันธ์ไม่เปิดคือไม่ดูอารมณ์เรานี่มันถึงยุ่งอย่าขอฝากไว้ด้วยถ้าเราตั้งสติไว้จะรู้เรื่องของเราเนะ พขอประธานท่ออย่างพวกกรุงเทพบ้านติดกันแต่แทร์ออมาไปถามไม่รู้จักฮทําให้เราเดินกรอกซะแย่เลยนี่กรุงเทพบ้านติดกันไม่รู้เรื่องกันแล้วไม่รู้หมอข่าวเขามีทลายแต่สนใจเรื่องใครต้องรู้เรื่องนั้นเราไม่เคยสนใจตัวเองนะสนใจจะคนอื่นคน น, คนั้นไม่ดีคนคนี้ไม่ดีแต่ตัวเราเนี่ยมันบอกทุกระยะขอฝากเขาด้วยอกอแทีนกลางมันบอกเราทุกวันแต่เราไม่ฟัง เราไม่ฟังไปฟังคนอื่นแล้วรู้โมจายุ่งแต่งงานเนี่ยนะนี่เราต้องนึกถึงตัวเรานะก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาดูอารมณ์เราไปแล้วได้อะไรขึ้นมานะมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้จริงๆต้องรู้จริงๆแล้วตมาก็ไปชุมมัดประชุมญาติโยมเลยเพราะไม่เคยจริงผ่านมาแล้วหลายเรื่องบอกโยมมาตมาขอลาเนี่ยวันที่ทีสี่ตุลาเปลี่ยนสุพรรณใหม่แตสุพรรณใหม่เนี่ย แล้วบอกเอ้เปลี่ยนยังไงล่ะหัวหน้าเสี่ยงสี่สิบ้าแล้วเรื่องจริงจะให้อยอมผู้หญิงมาอยู่กรรมฐ า, านกันหนึ่งเดือนแล้วให้กลับไปให้โยอมผู้ชายมาอยู่บ้านเรากะได้กับเวลาพอดีโยอมผู้หญิงมาอยู่เดือนกลับไโยมผู้ชายก็เข้ามาเหลือสามวันขอหับเพื่ออะไรโยอมผู้ชายมาอยู่เขาจะเอาศพเข้าวัดแล้วโยมผู้หญิงจะได้เตรียมทําครัวงานศพแล้วต่อไป ต้องมีโครงการตายเลยจะมาก็มานึกดูว่าไม่เสียใจไม่เสียใจอย่างนี้นอนต้องตายเนี่ย14ตุลาแล้วเวลาเที่ยงสี่ภาคจดตรงไหมแล้วเราก็กลงพอดีในวันที่14ตุลา2521ในแพทย์ต่างๆที่โรงพยาบาลศิรราชมาถวายเพลที่วัดนี้ในแพทย์มาก็เยกชง มาทําบุญที่นี่เพราะคนสิงห์บุรีก็ไปพาเพื่อนที่แพทย์สิญาตมามาเลี้ยงเพจที่นี่พอเดตามามีความจําเป็นจะต้องเดินทางวันนั้นเพราะอะไรท่านจ้าคุณธรรมยานมุน่อวานเจ้าวาดวัคคุวิศาลามเจ้าในากรุงรูบลีที่ท่ามีโรงเรียนวินิศึกษา่ที่รูบลีนี่เองท่านก็ข อ, อนี่มนตอมามไปประชุมไปสังเกตการไปหาความรู้เพราะประชุมเจ้าคณะเพอของท่าน ตามาก็เตรี่ยมจดไปแน่ <c oughs> <c oughs> พอฉันเพลนเสร็จแล้วเที่ยงเนี่ยเที่ยงแล้วคุยกับในแพทย์เขาบอกคุณหมอเดี๋ยวขอลานะอาตอมาก็นึกว่าก่อนจะตายเนี่ยนะห่มผ้าใหม่ๆนะสวยดี <c oughs> เปลี่ยนจุล้อนหมอใหม่หมดเปลี่ยนเปลี่ยนย่าเปลี่ยมอะไเะสร็จขึ้นรถบิ๊กับบอกโชเฟอร์ว่าเนี่ยโชเฟอร์คันนี้เนี่ยที่ใช้นี่เต่าด้วยกันรู้เรื่องทันดี เบริงลบรีลบรีเข้าทางไหน <c oughs> ก็ต้องวิ่งไปทางนี้ไม่จะไปถึงสีแยกตรงโน้นหลังตลาดปากบางวิ่งเข้าตลาดบางนาข้ามคลองลบรีแล้วก็เดินทางล่องไปท่าวุ้งไปถึงว่าก็วิสรารามคิดอย่างงี้เาจมาก็ตั้งใจแล้วว่าโยมเขารู้หมดทุกคนขอลาเขาแล้วแล้วโยมเขาก็ไม่เชื่อได้แล้วยังไม่มาถึง พูมาถึงตอนนี้ขอจเจริญพรว่าโครงการหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งคิดไว้หนึ่งไว้จะทําอะไรเป็นความฝันไม่ได้เป็นความจริงถ้างานที่เสร็จตามโปรเจกต์และโครงการเป็นความจริงครั้งอดีตที่ผ่านมาต้องเป็นความจริงหมดที่เราทาแล้วขอฝากไว้ด้วยที่เราตั้งโครงการจะทําอะไรในโรงเรียนหรือในครอบครัวงเราเป็นความฝันถ้าเราปฏิบัติการขึ้นมาเสร็จเป็นความจริง จากความฝันในวันนั้ น, นอย่างงี้อัต <c oughs> มาก็ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้มันเลยก่อนที่ตั้งสตินี่สามวันสามวันทำไมเราก็ต้องลาเขามีคุณโยมชานกองศรีทิพพาที่เป็นเจ้าผิดเจ้าการหัวประชุมนี้ออกคนเดียวเป็นละละโยมชานทำงานกรุเทพแล้วก็เดินผ่านที่นี่บ่อยมาตรวจลงน้ำตาล ที่ทำงานบริษัทมหาคุณเตชะภับูรณ์นะเจ้คุณนี่เตชะภับูรณ์แล้วเคยมาที่นี่เหตุใดจึงมีพระพุทธเจ้าหลวงอยู่ตรงนี้มาต้องมีเหตุมันจะมีผล อ, อัตมามาอยู่ที่นี่จาววาดวันนี้สามสิบปีแล้วมาอยู่ปีใหม่ๆบ้านนี้ไม่รู้ของดี มีพระบรมเชษยลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหลวงอยู่หนึ่งบานอยู่บนสลาขึ้นสวยล่าสอ่ชดาบอนเบลรเลยแล้วก็เขียนไว้ชัดมากถวายวัดอัมพวันรอสอรอยี่สิบห้าเสด็จชนมากจากบางบอินมาสู่เมืองนี้ตอนนั้นยังไม่มีจังหวัดสิงห์บุรีมีเมืองพรหมเมืองอินเมืองสิงเ ม, มืองสันเมืองสุพรรณบุรี บ้านชาน้างบ้านตาลบ้านพลานแสวงหาบ้านกลมบางบ้า น, านอำเภอวิเศษชายชาญพุทธภานกบเจาะสายงานที่จะต้องลบพุ่งจริงใช้ก็พมา่าแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าทนเสด็จโฉลมาตมาแล้วตามประเพณีของชาววัดก็ต้องตั้งพระภาทุกวัดที่ริมน้ำํำสวดถวายพระพรชยัยมงคลทุกวัดแล้วก็วัดนี้เจ้าวาดเมื่อสมัยรสรยี่ห้า คือท่านพักครูพรมนครบวรราชบุญีชินาสีพาุวัตร์สังกปามกเป็นเจ้าคณะเมืองนี้ตัวจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันไม่มีนะรอสอรยี่้าสเสด็จมาท่านชอบใจวัดนี้สเสด็จแวะเข้ามาที่พระปราที่เจ้าวาดองค์นี้ปลูกไว้ขาวาย พ, าพระพรชัยมงคลแล้วก็ผู้เจ้าหลวงก็มอบพระบรมชลยลให้กับวัดนี้ แล้วก็ลงพระนามว่าจุลาลวงกรณ์เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ครบอตาตมาจึงถือโอกาสรอไว้ที่นาหูชชมโดยกรมศิลปากรยังขาดอยู่อันหนึ่งคือวงจักรกลยังไม่มาม า, ม า, มาติดข้างหลัง <c oughs> และหินที่ต่างนั้นเป็นหินอิตาลียมชานที่อุปการละทิดนี้อตาตมาก็มาคิดดูว่าอีกสามวันนี้เราจะต้องตายแล้วยก็ไม่เจอยมชานเลย พูมาถึงตอนนี้ขอฝากไว้ด้วยสวดมนต์เรียบร้อยดีเนี่ยก็แผ่สุขุศลโทรจิตอตรตมาก็บอกโยมชาญตรงต่างสมาธิดีว่าวันที่1 3ตุลาอรตมาขอหักมณภาที่โรงพยาบาลเชงยบุรีก็บอกสั้นๆมันก็เปิดด น, นบรรดาลทันทีโยมชาญไปทำงานที่บริษัทก็ไปนั่งโต๊ะก็เปิดห้สมุดบันทึก ลายเป็นตัวหนังสือติดอยู่ว่าพระครูภาวนาวสุทธวันขอลาขอหักโมโนภาพที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีวันที่14ตุลาเนี่ยธรกิจหรืออุทิศสงสารไม่ไปตวงสื้อได้นยขอฝากเขาด้วยแต่ทีนุ้คนไม่พิสูจน์ไม่ทำมันจะไม่รู้นะนี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในสุดอาตมาก็เดินทางไปเที่ยง4 5คน เลี้ยงสี่ภาคถึงตลาดปากบางพอดีเลี้ยวขวาก่อนจะเลี้ยวขวาเนี่ยรถเราก็ให้สัญญาณแววบขวาจะเลี้ยวรถตามตามหลังมาสามคันแซงซ้ายแซงซ้ายแต่รถทัวร์ันจิตไม่เห็นพูมแม้ถึงตอนนี้โปรดจำมาด้วยบางคนขับรถไปทชนคนตายชาบกรรมมาซัดกอมองไม่เห็นคนอย่าไปว่าเขานะจาไม่เห็นคนบางทีคนจะข้ามถนนเนี่ย ถึงกรำมาตัวตัวจะโดนรถชนตายจะไม่เห็นรถเลยนะจะไม่เห็นรถฝอฝากเขด้วยไอคนที่จะถึงพราวตายจะต้องตายตรงนี้เนี่ยจะไม่มองไม่เห็นรถจะไปว่าเขาซุ่มซ่ามไม่ได้แล้วโทรเฟอร์เนี่ยถึงเวลากรรมจะต้องชนคนตายจะไม่เห็นคนเลยนะพอเห็นป้องเล ย, เยทุกครั้งแต่คนนี้ประสบการณ์มาจะเข้าใจอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วรถทัวร์ทันผิด จากปั้มน้ำมันไปวิ่งชนก็อาตมาปล่อยร40โฟลเฟอร์อาตอมาถามเขาบอกไม่เห็นรถอาตอมาหรือเขาบอกไม่เห็นเลยนะเป็นหมอกไปหมดวางเนี้ยเป็นหมอกแล้วไม่เห็นรถพอถ้าเห็นผ ม, มจะชนทำไมลนะ่ะเอะเวงชนทันทีแล้วอาตมาก็มีคนโดยสารไปห น, นึ่งคนนาวากาตรีบนอ2ที่รบรียเนี่ยแต่ก็มาทําบุทที่นี่ก็ใส่เสื้อ ข, ขาวนุ่งกางเกงขาว อยู่ที่ท้ายรถเรารถพลิกอั้นไม่มีนัอกไม่มีเลค่าพอชนป้องไปยังไงนาวาตีนี่เลยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยลงทั้งโน้นเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่ตลาดัา บ, บางเนี่ยเขาก็น้ำมันท่วมเขาจำเป็นจะต้องมาปลูกร้านค้าตามถนนเขาเห็นชัดเขาก็บอกว่าเนื้อว่าหนังสือพิมพ์ปลิวหสือพิมพ์แหลโคนมันไว ม้วนแว บ, บเดียวอ่ะนะพอชนป้องไปทำงานอาตมาทำงานหนังสือกำลังดูชีตปลิวไปหมดแล้วทีนี้ก็ล็อกประตูเข้าไว้แล้วกระจกเนี่ยกระจกก็แน่นานอาตมาบินออกจากรถไปยี่สิบวายี่สิบวาเลยแล้วทําไมไอ้กระจกนี่มันก็แน่เลยนะถกหนังหัวอาตมาไปกองไว้ข้างหลังหมดเลยนะ แล้วต่อมาก็ไปแองแงคอหักพับได้หมุนได้ทันทีคอหักแล้วก็ไหลนี่นะชนไอ้ข้างรถเนี่ยไอ้ข้างๆตรงเนี้ยขาดไปเลยเนี่ยขาดไปเลยไอ้กระจกที่ดูคนเนี่ยดยูตรงเนี้นะขาดเลยเหล็กสองหุนขาดไปเลยโชเฟอร์สลบไม่พูดไปพูดได้โรงพยาบาลแล้วนาวาตรีเนี่ยปลิวลงไปหลังหักแล้วก็ ไอ้ซีโครงเนี่ยเสียบเสียบเสียบตับในสุดตายตายเลยแต่ก็ช่วยลูกสาววดยคนหนึ่งเพราะลูกสาวเป็นนางพยาบาลอยู่ลบบุรีพอไปถึงโรงพยาบาลนี่นะเขาก็โทรไปยังลูกสาวเป็นนางพยาบาลอยู่รบบุรีบอกหนูมาหาพ่อด่วนพ่อรถชนช่วยยังไงนางพยบายบาลนีจะไปส่งฝลัง่งขึ้นรถ ปูแหะ้ะนั่งหน้าเลยจะไปส่งฝรั่งแล้วก็แพทย์เขาก็บอกนี่นัวพยาบาลลงพอเธออุบัติเหตุอย่าไปรถรถนั่นไปเลยไปพระบาทไปสวนก็ไอ้รถสิบล้อตายหมดเลยเห็นไหมเนี่ยฝรั่งเฟื่องขาแพ้งหักหมดนี่ช่วยลูกสาวดีคนเพราะเธอลงจากรถเจียมาหาพ่อที่รถชนเนี่ยถ้าเธอไปรถคันนี้เธออยู่หน้าตายหมด นี่ยก็ั่วยดเด็กคนเด็กในทางพยาบาลนี่ยังอยู่ทุกวันเนี้ยแต่พ่อต้องตายพ่อมาร่วมการล่วงอัตมาอัต <c oughs> มาพอทนแล้วพอพับทํำไมรู้มันก็เป็นเรื่องอัศาจรรย์โดนบันดาล น, นะทีนเนี้ยไอ้หนังศีรษะเนี่ยถกไว้ข้างหลังคนดูไกลๆเนี่ยดูวัรทนเนี่ย น, น, นึยนกว่าหัวเละเพราะผมขาวไอ้ศีรษะนี่ขาวเลือด ก, ก็ไหลลงมาตาโมกเนี่ยนะมีแต่เลือดหาใจไม่ได้ ในคอแล้วเนี่ยเสลเอตเต็มถ้าพุทโทตายเนี่ยจะบอกใครเนี่ยพุทโทตายเลยเนะทําไมรอดได้ <c oughs> ตอนนั้นนนี่ยตมาไปภาพอยู่ก็บอกมือมันดีอยู่มือหนึ่งที่มือเนี่ยติชนไอเล็กขาดไปจะมือนี้ตายหมดแล้วตามองไม่เห็นไม่สัมผัสหูไม่ได้ยินได้ยินเหมือนเราโทรศัพท์ทางไกลได้ยินว้าวววเต็ม ท, ทีแล้วก็บอกโยมช่วยอุ้มหน่อยยมช่วอุ้มหน่อยแล้วไอ้มือเนี่ย ก็คลำดูอ้าวนี่หนาผากนี่กดที่หน้าอกต้องดันมันขึ้นไปดันไปก็มองดูเป็นหมอกเหมือนอยาเราอยู่บนเครื่องบินอย่างนั้นมองเห็นเป็นหมอกไปอย่างนั้นเป็นปุยนุน่น <c oughs> แต่เดชะบา ร, รมีที่เราฝึกไว้หายใจทางสะดือได้สะดือนี่หายใจได้แน่เลิกถึงแม่ได้เลยว่าเราอยู่ในท้องแม่เนี่ยหายใจทางสะดือกับแม่ แล้วกินอาหารกับแม่ได้หมื่นเปอร์เซ็นตไม่ไม่หายใจทางนี้เวลาลูกออกจากท้องเนี่ยจะไม่หายใจจะต้องซิฟเจอร์ไซทําตบท้องก่อนถึงจะแอะพอร้องแอะหายใจได้แล้วมันเพื่อโป่งออกมาเนี่ยถ้ามาจับได้นึกถึงแม่เลยเลยนะเลยหายใจทางสะดือได้ท้องหนอ้ยหนอยยกน้องมานะถ้าหายใจทางนี้จะต้องตายเพรา ะ, สะเสล็์เต็มคอหายใจได้ไง่ายนะ เราจะมาก็เอามือเนี่ยซ้อนไว้ยมช่วยอุ้มหน่อยไอ้พวกที่มาไปดูนะอุ้มไม่ได้ตายแค่หัวเละขอหักนึกมโ ห, หอยู่เแล้วทีนี้ก็ไอน้นมนมมาอีกอย่ยาอย่า่าไปแตะอย่าไปแตะตรงนี้ตายสี่สิบศพผีเข้าสิงเนี่ยเราก็ได้ยินมาแบบบอกไม่ใช่เพลช่วยอุ้มหน่อยมายอมอุ้มเห็นไหมเนี่ย จนตำรวจทางหลวงมาเอ๊ะไม่ตายนี่พูดได้ตำรวจไปอุ้มมาเห็นไหมเนี่ยอุ้มมาแล้วตมาก็เอามือดันคอไว้ดันคอไว้จุนวอนขาดหมดแน่บินออกจากเหมือนนกเลยแล้วก็ห่างจากรถที่เละเทะเนี่ยยี่สิบวาวัดตํำรวจเขวัดตมาบินไปได้ยังไงยี่สิบวาโน่เลยหน้าห ọ p ประชุมนี่เลยเนี่ยหน้า h ọ ประชุมเลย แต่แล้วทำงานอัตมากก็จับเนี่ยเลยผลทสุดท้ายก็ตรงนั้นมีลงออกอยู่โรงหนึ่งเลยเท่าแก่ลงอีกก็ขับรถ2องแถวออกมารถเขาไม่ใช่คนเด็ใช้ขับออกมาก็อุ้มอัตมาไปส่งโรงพยาบาลของโรงพยาบาลไอรถทัวไปไม่ได้ประตูหักหมอน้ำแตกข้างหน้ายับเยินหมดเลยไปไม่ได้แล้วโชวเฟอร์เขาก็อาบอกว่าแหมไม่เห็นจริงๆแต่เห็นผมจะชนทาไมแล้วครับ นี่เวลากรรมมัตไม่เห็นรถนี่เป็นอย่างนี้จริงๆอย่าไปโทษใครเขาเลยว่าใครก็เลยถึงกรรมของเราต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างอมาก็เขาก็อุ้มขึ้นรถรถสองแถวบเบาะก็ไม่มีรถเขาไม่ก็เด็ดชายรถประทุอิดไม่มีเบาะที่นั่งเนี่ยและเจ้าของลงอีกขับเองแร่งเครื่องไปสู่โรงพยาบาลโดยด่ ว, วนพอเร่งไปจะเป็นไงพอถึงวิทยาลัยเกษตรตรงเนี้ถึงวิทยาลัยตรงนี้เอง เสียงดังประหลาดดังขึ้นสมน้ำนาเดี๋ยวกูจะซ้ําเอ๊ะอะไรจะมาซ้ำไอ่รุ้ยเน่ี่สมน้ำน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำหัวเต่าโผล่มาแย่เอ๊ะใช้นี่ไม่รู้จักหมดเลยเนี่ยเนาะใช้นี่ไม่รู้จักหมดเลิกวุ่นวาใจนะเพราะขาดคาปับ๊บอะไรอยู่ที่ตูดตะมารู้ไหมไอ้รถบ้านนี่อะไรง้อ น, น้ําอยู่ที่ตูดล้วพอดีเลยหมอ น, น้ํารถเป็นอยู่ที่ตูดไอ้เครื่องมันเนี่ย เลยพอดีก็อ่าจ้าของรถเขาบอกว่าไอ้ฝามันหายเลยเขาเอาผ้าจุกไว้เลยมาถึงตอนนั้นบอกสมน้ำนาเดี๋ยวกูจะซ้ําและผ้าก็หลุดขึ้นมาแล้วน้าร้อนก็ลวกอาตอมาคนเดียวเลยอย่าลืมนะแสบที่สุดในโลกน้าร้อนลวกและคนนึงประคองอาตอมาไปจอดจอดจอดจอดเลยโชเฟอร์ของนั่นบอกจอดไหมเนะี่ย ต้องบึงโรงพยาบาลเดี๋ยวท่านจะแย่ได้ยินมาแบบแล้วก็ น, น้ําร้อนมันก็คอยคอยทยอยเราเรื่อยๆทยอยเราคนเดียวพอไปถึงโรงพยาบาลน้ําแห้งพอดีมพอดีน้ําร้อนลวกเอกีกแม่นี่อย่าลืมนะเต่านี่ยเตาเนี่ ย, ยแผ่งชงกุศลไม่ก็ถึงอาตมาพอน่านไปดีแล้วไม่รู้สึกปวดมันไม่มีปวดไม่มีอะไรมันสบายดีนะ ถ้าไม่เชื่อลองรู้คอหักดูเลยลองลองลอ ง, ลองดูไปถึงโรงพยาบาลทับน้ำํำคอแห้งพอดีมอฟแต่รถไม่เป็นลายไม่เป็นตรายเพราะมันค่อยๆพุ่งไปช้ชาๆนะเพราะผ้ามันหลุดไปแล้วมันยังมีเหลืออยู่บ้างมันก็พุ่งชิดลงไปส่างสีสระเราพอดีเล ย, เยมันมีรูเพราะไอ้ตรงที่ไม้ตรงเนี้ยไม่มีเบามันมีรูห่างๆพอดีน้ําที่จะต้องขึ้นพอดีเลย พอเหมาะกับไอเวงกรรมของเราเนาะอพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยผู้นวยการไม่อยู่มันจะเป็นเสาที่จําไม่ได้เลยในแพทย์สมหมายทองประเสริฐท่านเคยเป็นผู้นวยการเก่าแล้วก็เด็กเป็นหมอใหญ่แล้วท่านลาออกท่านก็ตั้งคลินิกอยู่ที่บ้านพอได้ข่าวท่านก็เว่งจากบ้านถึงโรงพยาบาลเพราะหมอไม่เคยอยู่แล้วเอาตะมาไปใช้ทะเล สายทะเลแล้วก็พูดกระซิบในใจเบาๆให้คนุณดได้ยินตายบอกคอขาดบอกไม่มีทางอาตอมาดิยินบอกสาทุกตายก็ดีเนาะไม่เป็นไรเราล่วงทางอยู่แล้วเลยเขาบอกว่าให้เขา้าห้องไอซชิลุด่วนเย็บชิษะไหนๆจะตายก็เย็บก่อนเย็บชิษะดึงหนังมาเย็บก่อนแต่งตัวใช้ ส, สวยก่อนเนว้อตาชีก็ให้สวยหน่อยเนาะ นี่ร้อยเย็บเนี่ยแต่หมอเขาเย็บดีไมเ่เป็นพระเป็นเนี่ยถกหนังเนี่ยแล้วทีนี้ก็เขบอกว่าตายไม่หลอดลราคอหกักหายเสลยแล้วลงเลยฟิล์ยังอยู่เนี่ยอัตมาไม่เนื่องในใจอา้าไม่เป็นไรยอมรู้แล้วล่วงหน้าหกเดือนแล้วทําใจได้ใจได้ตอนนั้นยังหายใจทางสเสดระ อ, อยู่หายใจได้หมอเขาตกใจว่าเสลยเต็มปากทาไมหายใจยัง เลยทีนี้หมอก็บอกว่าให้เข้าห้องฉุกเฉินด่วนบรษพยาบาลช่วยสายรถรถมีสีล่ล้อและให้นอนลงนอนลงก็ทำตัวกองโลงไม่มีหมอนอาตมาก็มือยกดยมือเดียวก็อธิษฐานจิตตั้งโนโมสามจบเขาไปเจ้าถ้าหากว่าใช้นี่มนุษย์หมดแล้วนะปัดนี้ขอให้เขาไปเจ้าไปเดี๋ยวนี้อย่าอยู่เลยถ้าเขาไปเจ้าใช้นี้มนุษย์ไม่หมด เวรกรรมที่ข้าพเจ้าทํามาบุญทำบุญนํากรรมสนองบุญนํากรรมแต่งให้กับขา้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังใช้นี้ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาใช้นี้มนุษย์ให้หมดในชาตินี้ชาติหน้าอยาบพบกับข้าพเจ้าก็คิดอย่างนี้อธิษฐานไปเรื่อยอธิษฐานไปก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงแล้วเลยทีนี้ก็บุรุษพยาบาลก็สอยรถเป็นการหยาดพลุปุ๊บจะยิงกุ๊กึกกมันกระเทือน เดชะบารมีกุศลทานที่ละภาวนารถตกล่องโครมลูกล อ, อกเลยพังเลยคอเข้ากรอบติดเลยยกแกนยกขาได้เลยเห็นไมเนี่ยได้คนหนึ่งบอกม า, าหาหนุก็าตายเลยกลับฟื้นเห็นไหมเนี่ยเลยคนเนบอกแหมเป็นพระอ้วใช่เนะี่ยพรอ้วไม่ใสรถตกล่องคงฟื้นไม่ได้มีบุญคุณติดต่อมีบุญคุณนะ ติดเลยติดแล้วทำยังไงเกิดปฏิกิริยาทันทีได้ตำารา ม, มา่พอคอเข้ากรวบติดปวดอะไรมากปวดอะไรปวดตูดปวดจุดประสาทสองจุดทำให้เราได้ตำราดังนี้พูดมาถึงตอนนี้แล้วขอเจริญพรบอกกับลูกหลานหนุ่มสาวทุกคนนะเวลาเข้าห้องน้ำถ้าล้มจาบะถ้าไอ้สองจุดนี่ก็แทบพร้อมกันไม่มีทางเลาะ ถ้ากระเทกท า, างเดียวเป็นอมมาภาคจะมานี่ตูดโตเนี่ยหรือไปฉีดยาหมอตีลงตรงเส้นประสาทขารีบเอาลองดูปวดตูดที่โชดไ ม, ไม่ปวดคอเนะอย่าเลืมตูกับประสาทอันเดียวกันทามีลูกแร็กๆนะเลี้ยงลูกนะอย่าตอบตูดลูกนะบางคนนี่ยไปเลี้ยงลูกให้เปนตอบตูดลูกเล็กประสาทเสียนะเลียงซื้อไม่แกงกลับมาเส้นอ่อนอย่าไปตอบตูดลูกนะ ภาษาปนอ่อนอยู่ที่โตดโตก่ไอ้คอนนี่อันเดียวกันตาโตไอ้ภาษาเด็กนะ่ะอยู่ที่โตถ้าตอบโตกลุ้บเล่นบ่อยๆเล็กๆอ่เนะเด็ก อ, อ่ อ, อนๆเนี่ยภาษาเสียนนี่จะตาลาพอทีนี้พอคอเข้าปลวกปวดโตกหายใจไม่ออกทางสะดือหายใจไม่ได้นี่ดิ้นเลยแน่นแน่นแ่นเนี่ยหมอลู่ทันหมอก็วิ่งไปเอาไว้เครื่องดูเด็ษ ก็มาดูดเลือดออกดูดไอเซเลตที่คอดังครอบเออล่งเลยให้ใจได้ให้ใจได้ไดพอไปเึงมห้องห้อ ง, องทุกเฉินหมอไม่รู้จะทำไงเย็เบศีษศาก่อนเลยหลวงพ่อทนหน่อยนะตอนนี้เจ็บหมดแล้วทนหน่อยถ้าีดยาชาเข้าไปแล้วแผลหายชาต้องเย็บเดิบเลยลองเย็บดูฮะเดีบเดีบลองดูนะ อย่าบอกใครถึงหูใจเลยเน่ะเย็บดิบเย็บดิบเขาบอกเย็บดิบเคยเย็บผ่าตัดไหมลองสิลองเย็บยิบดิบสิหัวถึงหวใจเลยนะนี่เย็บหมดเลยเนี่ยถกหนังมาถกหนังมาก็เย็บนี่แหละท่อที่เราถกหนังนกนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เรืองจริงพอหน้าเสร็จแล้วเขาให้น้ำเกลืออัตมาก็พริก พิษะไม่ได้เลยแต่ก็ยกแค่ยกขาได้หมดนะฮะหูได้ยินชัดตาเห็นแล้วแต่ทีนี้หมอผู้เหนวยการมาก็ไม่ทราบไปช่วยยิงนะเลยก็โทรพท์ทางกลายไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลิศศิลปกรุงเทพเลยหมอประดิษฐ์บอกแอบไม่เคยเห็นพระคอหักไม่ตายต้องตายถ้าเคลื่อนหน่อยจะแม้มาพาดนะเอามาดูสิเลยอาตมาพอมีแรงดี เขาก็หามอตมาขึ้นรถโรงพยาบาลสิงห์บุรีเบิ่งเข้ากรีเทะ่ะพอไปถึงแล้วเขาก็หามอตมาอีกหามขึ้นชั้นสองหมอประดิษฐ์แกไปวัดที่ไหนมาจงให้สารยังใชายซุกใหญ่อยู่แกก็มาดูมาดูอตมาที่เตียงเอ๊ะเอาหมอมาเยอะเลยบอกขอหาไม่ตายเลยก็มาดูแกก็ถอดเสื้อกนาะเข้าเฟือกเอาผ้าแช่นา้าแล้วมาพันๆๆสิบห้านาที เท่าที่จำได้พอที่านนาทีเสร็จแนี้ยเอาตมาลุกนางดาเดินได้เลยเดินได้เสื้อเดินได้เวลาขึ้นรถให้กลับมาทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลตามมาดูทั้งรถเลยบอกเอ้เมื่อกี้หามาตอนนี้เดินได้พอใส่เสืออแล้วนะแน่นแล้วมันก็เดินได้